พระธรรมเทศนาแผ่นที่47ลำดับที่12โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่14ธันวาคม2554มีชื่อเรื่องว่าคนตาบอดให้เชื่อคนตาดี ผมระยะช่วงหลังก็มีธุรกิจธุระไม่ได้ขึ้นมาประชุมกับหมู่พวกเพื่อนแต่ถึงยังไงก็ได้ฟังได้ใส่ใจเพราะเรื่องการประชุมเป็นเรื่องใหญ่สําหรับพระสงฆ์อยู่ด้วยกัน่จะเข้าใจกันหรือจะรู้เรื่องก็ต้องมีการประชุมหารือกันนี้ก็ผมก็ได้สั่งเสียเอาไว้ ว่ามวกพวกท่านทั้งหลายที่เข้ามาบวชเข้ามาใหม่ถ้าจะปล่อยปะละเลยแต่อยู่ต่างองค์ต่างอยู่ตั้งแต่บวชเข้ามาแล้วไม่ได้อาศัยไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่ได้ปฏิบัติต่อไปภายภาคหน้าพวกท่านออกไปแล้วก็ไม่รู้จะยึดอะไรเป็นแนวปฏิบัติแต่เมื่อพวกท่านทั้งหลายเขามาพระุ่นพี่พระรุ่นเก่า อย่างที่ผมได้แนะนำบอกกล่าวให้พาไหว้พระสวดมนต์แล้วก็นั่งภาวนาและให้ฟังแนวแถวความคิดของครูบาอาจารย์ที่ว่าความคิดของผมเพราะพวกท่านทั้งหลายเขามาศึกษาในขณะนี้มาศึกษาเรื่องของแนวความคิดของหลวงพ่อหลวงพ่อมีความเห็นอย่างไรนี่ผมก็ได้ อัดใน MP3 มันมีหลายระดับระดับเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องกิริยามารยาทมีครบถ้วนบริบูรณ์ใน MP3 ของผมสุดแท้แต่รุ่นพี่จะหยิบยกเอาต้นไหนออกมาพูดให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังถ้าว่าพวกเราท่านทั้งหลา ย, ยาได้ยินได้ฟังก็เป็นแนว ปฏิบัติถ้าไม่ได้ยินได้ฟังพวกพวกเราเข้ามาแล้วก็จะเฉลียวฉลาดจะรอบรู้จะรู้หลักพระธรรมวินัยได้อย่างไรเพราะไม่ได้ฟังไม่ได้ศึกษาแต่ส่วนธรรมะอันลึกซึ้งผมก็ได้แนะแนวให้แก่พวกท่านทั้งหลายได้ฟังคือตึกสงัดตั้งแต่สองทุ่มแล้วไป ธรมเทศนาของหลวงตาอุปรมพระเราเปิดฟังเวลาไหนก็ได้วิทยุเราก็แจกให้เราไม่ได้ให้ไปฟังเสียงร้องรำทำเพลงเราไม่ให้ฟังอย่างนั้นจุดประสงค์ของเราคืออยากจะให้มาศึกษาพอพวกเราก็มีอายุโดยการทุกคนแล้วสิ่งไหนควรไม่ควรอย่างไรพวกเราก็น่าจะนำประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในหลักพรทธมิไน ไม่ใช่ประจําจี้จาําชัยการจําจี้จําชัยนั้นมันเป็นเด็กแต่นี้เราเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันอันไหนควรปฏิบัติอย่างไรมันมีโอกาสต่างเยอะแยะไปที่พวกเราจะต้องฟังเสียงร้องรําทําเพลงอยู่ทั้งโลกนะมันไม่อดมันไม่อัน้นแต่ที่จะฟังเสียงธรรมะของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เข้าสู่จิตเข้าสู่ใจเนี่ยหาโอกาสอย่างนี้ได้ยาก เพราะนั้นพวกท่านทางหลายที่เข้ามาเนี่ยควรจะใส่ใจในการฟังในการศึกษาแนวปฏิปทาของครูบาอาจารย์จากนั้นพวกเราจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายวาจาใจของเราในที่สุดแต่สำหรับผมเองผมก็ให้แนะนำตอนเช้า แล้วก็เห็นว่าบางการเปยนบางเวลาอย่างวันนี้ละ่ะผมก็ได้เห็นว่าช่วงที่มันว่างผมก็ได้มาเข้ามาพบกับมู่พวกพวกเพื่อนและก็พร้อมกันถ้าใครไม่ถนัดในการฟังก็มีตำรับตำราอยู่ในห้องสมุดมีหนังสือทุกระดับอยู่ในนั้นทั้งหมดถ้าพวกเราไยในการศึกษา ไปในการค้นคว้าเอาเอาใจใส่ในการศึกษาพวกเราก็มีกองตําราห้องสมุดจะค้นคว้าศึกษาได้ทุกระดับผมว่าห้องสมุดของเราถึงจะเป็นห้องสมุดอยู่ในปา่ารงธงพงไพแต่ผมว่าเป็นคลังแห่งพระธรรมที่ผมไปดูแล้วมีทั้งปริยัตทั้งปฏิบัติปริยัตก็คือพระไตรปิฎกไม่ร่้กี่ชุด เนีมีทุกตรงพิมพ์ที่อยู่ในประเทศไทยพูดอย่างนั้นได้จากนั้นธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็มีกับทุกองที่เขามีที่เขาพิมพ์อยู่ในประเทศไทยพูดอย่างนั้นก็ไม่น่าจะผิดอีกเพราะนั้นพวกเราไยในการศึกษาใยในการค้นคว้าเราก็พร้อมที่จะค้นคว้าศึกษาได้ไม่ใช่ว่าจะให้แต่ผมยัดเยียดให้อย่างเดียว ผมก็มีไม่รู้จะยัดเยียดจุดไหนตรงไหนมันจึงจะถูกจุดตามที่พวกท่านทั้งหลายต้องการตามที่พวกท่านทั้งหลายอยากจะฟังแต่ถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายไปค้นคนว้าศึกษาเือเราจะศึกษาเรื่องวินัยเราจะศึกษาเรื่องพระสูตรเรื่องเราจะศึกษาเรื่องพระอภิธรรมหรือแนวความคิดเราก็ค้นคว้าศึกษาได้หรือก็พร้อมกันเราจะศึกษาแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ละองค์ ศึกษาเรื่องประวัติหลวงปูมั่นศึกษาหยดน้ำบนใบพวงหลวงตามหาบัวศึกษาเรื่องประวัติของหลวงปูล่ลาก็มีพร้อมอยู่ในนั้นอีกเหมือนกันจากนั้นเมื่อเราได้ศึกษาแล้วเราจะได้นำแนวปฏิปทาของท่านท่านพาดาเนินอย่างไรท่านจึงรู้แจ้งเห็นจริงได้มักได้ผลเราก็นำทำปฏิปทาของท่านนั้นมาประพฤติปฏิบัติบางองค์อา จ, จชอบ องหนึ่งบังวงอาจจะชอบองหนึ่งเพราะนั้นพวกเราควรคว้าศึกษาดนแนวทางแล้วก็นํามาปรปับปรุงกายวาจาใจของเราเพราะว่าความรู้ความฉลาดมันไม่ได้อยู่กับผู้หนึ่งผู้ใดใครผู้หนึ่งพวกเรานี่ให้หิวให้อยากให้หิวหิวอะไรหิวความรู้หิวอยากจะรู้หิวในการใฝ่ในการศึกษา ใ ห, ให้พวกเราตั้งความหิวกระหายไว้แต่พวกเราหิวกระหายอยู่ในจิตในใจอยากจะรู้อยากจะศึกษาในเรื่องที่เราควรจะศึกษาเราควรจะรู้จากนั้นเราก็ใยสนใจใ่ในการศึกษาอ่านฟังความรู้ความฉลาดก็จะเข้ามาสู่จิตถูใจของพวกเราท่านทั้งหลายเพราะว่า พวกเราจะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังเพระพู้ใหญเจ้าถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนกับคนตาดีท่านได้รู้แจ้งเห็นจริงมาแล้วท่านได้ตัดรู้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราที่ท่านได้บำเพ็ญมาจนจุดความสามารถของท่านเคยทุกข์กระตำลำบากอยู่ในป่าดงปงไผ่มาอย่างไรท่านก็ ได้เป็นธรรมเล็กคิดหรือว่าแนวปฏิปทาของท่านไว้ในประวัติของท่านพวกเราได้อ่านได้ศึกษาเราก็ได้นำทำคำสอนของท่านมามาปรับปรุงกายว่าใจาใจของเราเพราะว่าท่านเหล่านั้นเดี๋ยวนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ตั้งแต่องค์หลวงปู่มั่นหลวงปู่ต่างๆที่ผมได้กล่าวกันวุนแล้วจะผ่านไปแล้ว แล้วก็อัธิธาตุของท่านกระดูกของท่านพูดง่ายๆก็ได้กลายเป็นพระธาตุให้พวกเราได้เห็นก็เป็นอันว่าท่านเหล่านั้นพ่อแม่กูบาลจารประมาจาร์ที่พวกเรากล่าวหรือว่าพวกเราได้อ่านประวัตินั้นล้วนแล้วจะเป็นพระอรหันต์พูดอย่างนั้นได้เพราะอะไรเพราะกระดูกบ่งบอกถึงความบริสุทธิ์ถ้าหาว่ากระดูกไม่ เป็นเม็ดกลมหรือว่าไม่เป็นเม็ดที่ไม่ผิดแปกแตกต่างอันนั้นก็ยังก็ยังเราก็ยังยั ง, ยงไม่พูดแต่ว่าถึงยังไงทำคําสอนของท่านที่ท่านสอนเป็นแนวทางไหมอันนี้เราก็นํำทำคําสอนออกมาวิเคราะห์ อ, อีกทีหนึงจากนั้นเราก็นําพระธรรมคำสอนของท่านมาประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายวาจาใจของเราเราก็พร้อมที่จะเป็นคนดี ไม่ใช่ว่าปรามาจารย์โปรเฟสเซอร์สอนเท่านั้นจริงจะฟังคนอื่นสอนไม่ฟังเจะเมื่อไหร่เราจะได้ฟังโปรเฟสเซอร์พูด เ, เราเลยเป็นคนโง่ตลอดไปเมื่อเราเขาสอนกอไก่ขอไข่ขนก็ยังไม่ได้เป็นโปรฟ์โปรเฟสเซอร์ เ, เ, ออเขาจะเป็นครูธรรมดาเพียงแต่เขารู้กว่าเราเออกอไก่ขอไข่เราก็น่าจะเรียนรู้กับเขา ต่อไปเมื่อเราเรียนรู้แล้วก็เราก็จะได้เรียนสูงขึ้นไปเรื่อยๆออก็เรียนรู้เข้าไปไม่ใช่ว่าเราจะเรียนจากปรมาจารย์อย่างเดียวจึงจะตั้งใจเรียนถ้าคิดได้อย่างนั้นหรือมีความตั้งใจอย่างนั้นบางทีเกิดมาชาตินี้อาจจะไม่ได้ไม่ได้ฟังก็ได้ไม่รู้องค์ไหนเป็นบางทีโปรเฟสเซอร์อาจจะเป็นประสาท บ้าๆบ่ๆบ้องบก็ได้ใครจะรับประกันได้ว่าเป็นฟอรเควเซอร์แล้วจะเป็นผู้บริสุทธิ์ผุดพองได้เพอเพออาจจะมองบ้องบ้าๆไปอย่างนั้นก็มีเพราะอะไรเพราะประสาทมันก็มีได้ทั้งนั้น่ะโลกเลยไม่เหมือนพระอรหันนะพระอรหันท่านท่านบริสุทธิ์ผุดพองแล้วนั่นแหละอันนั้นบริสุทธิ์เต็มร้อย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 ขณะฟังจิตของผู้ฟังใจของผู้ฟังก็จะได้รับความผ่องใสเพราะได้ฟังหลักเหตุผลอันนี้ก็คืออเนกสงแห่งการฟังธรรมและก็สุดตามายะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังถ้าว่าพวกเราไม่ได้ยินได้ฟังและจะเกิดสติปัญญาเฉลียวฉลาดขึ้นมาไม่มีทางที่จะเป็นอย่างนั้นได้เพราะพวกเราต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังว่าสุดตามยญญายตามยะปัญญาจินตามมยะปัญญา ปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังแล้วก็จินตนาไข้ขวรทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนั้นกัดคลองอีกที่นึงมาทบทวนอีกที่นึงมาเปรียบเทียบอีกที่นึงจริงไหมคําพูดอย่างนี้ทําไมจึงเป็นอย่างนี้จากนั้นเราก็อ่านอาจจะได้อ่านหนังสือ ห, หลายๆเล่มหรือปฏิปทาของกูบาอาจารย์แต่ละองค์หรือประวัติหรือพระไตรปิฎกเอามาเปรียบเทียบดู อันนี้ว่าจินตามายะปัญญาการกลองไต่ตรองเปรียบเทียบเหตุผลแล้วเราเค้าอึงคาพูดนี่ถูกต้องยอมรับแล้วว่าจินตามายะปัญญาภาวนามายะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทําจิตใจให้สงบอันนี้เป็นเรื่องของพระนะนัตถินเป็นเรื่องของพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของพระธร ร, รมคําสอนของพระพุทธเจา้าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าท่านั้นน่ะที่พวกเราจะทําจิตใจให้สงบ ภาวนาทำจิตใจให้เป็นหนึ่งในเมื่อจิตใจสงบเป็นหนึ่งแล้วนําจิตใจที่ผ่านความสงบนั้นมากันกลองไตรตรองเหตุและผลด้วยความลึกซึ้งด้วยเหตุด้วยผลอีกจากนั้นเราก็จะได้รู้แจ้งเห็นจริงปล่อยวางอันนี้ก็คือธรรมะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสรุปแล้วก็คือต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังถ้าพวกเราไม่ได้ยินได้ฟังไม่ได้ศึกษาเราจะเฉลียวฉลาดขึ้นมา ไ ม, มไม่มีไม่มีทางเพราะนั้นอย่างที่ผมพูดขนาดนี้พวกท่านทั้งหลายก็ได้ยินได้ยินว่าเออนี่เออเป็นแนวทางต้องอาศัยการได้ยินได้ดฟังจากนั้นก่อนเราศึกษามาอย่างไรเราจะศึกษาอย่างไรเราจึงจะเฉลียวฉลาดเราจะอ่านหนังสืออย่างไรเราจะฟังแทปอย่างไงเราจะปฏิบัติตนอย่างไรสิ่งเหล่านี้จะต้องเป็นแนวทาง สำหรับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านจะแนะนำสั่งสอนสรุปแล้วก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้สำเร็จมรรคสำหรับนั้เร็จผล น, นั้นเหมือนกับท่านเป็นคนตาดีเออคนตาดีให้เขาว่าท่านมองเห็นแล้วพวกเราเนี่ยถึงจะตาดีแต่ตาปัญญาของเรามันบอดมันมองไม่เห็นมองงอ ง, มองไม่เห็นสัจธรรมไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา มองไม่เห็นที่ทางไหนจะพ้นทุก์ในวัฏสงสารจะไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารเรายังมองไม่เห็นยังจึงเป็นผู้มืดบอดอยู่เพราะท่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ผ่านแล้วท่านได้ศึกษาแล้วท่านได้ปฏิบัติผ่านไปแล้วท่านก็ได้นํำทำคําสอนออกมาสอนมาประกาศมาเผยแผ่มาแนะนําพวกเราเพราะท่านพวกเราอันดับแรกก็ต้องสัตตั้งศรัทธาคือความเชื่อไว้ก่อน ถ้าเราไม่เชื่อเราก็ปิดหูปิดตาไม่เชื่อไม่ฟังแต่ท่านไม่ฟังท่านก็ไม่ว่าอะไรท่านก็กรรมของสัพพสัตย์พระพุทธเจ้าท่านเป็นบรมครูแท้ๆท่านไม่ใช่ว่าจะสอนทุกคนเชื่อทั้งหมดผู้ไม่เชื่อก็มีเหมือนกันในครั้งนั้นแต่ก็ปล่อยไว้ก่อนเป็นหน้าที่ของท่านหรือเป็นกรรมของพวกท่านเนี่ยที่เราวอกเข่ากล่าวแล้วไม่ไม่ฟังเราก็ช่วยอะไรไม่ได้ เราไม่ใช่ว่าจะจับมาหันเหตุกระชากลากถูให้เชื่อนะให้เชื่อนะมันก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ว่าพูดให้ฟังเหตุผลให้ฟังแล้วไม่ยอมรับหลักเหตุผลก็แสดงว่ า, เ, าเรามีทิฏฐิมานะาคือความไม่เชื่อมอีในครั้งพุทธการมีเพราะพรพุทธเจ้าไปเทศนนาว่าการาบางที บางทีบางท่านได้สำเร็จมรรคสาเร็จผลเป็นพระอรหันเอ่อพระนาคามีพระจกกะทาคามีพระโสดาบันถึงพระไตรสารณาคมเอ่อยศพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสราระเป็นที่พึ่งก็มากก็นอกเหนือจากนั้นก็เชียงว่าเออพระพุทธโอพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดใช่มีเหตุผลไว้ก็เพียงแค่นั้นก็มีแต่บางคนก็ยังอิดชาพระพุทธเจ้าอีกโอ้ พระสมณพะโคโดมมาแย่งชิงบริษัทบริวาลของเราเราจะทํำยังไงยังอิดชา้าอยากจะฆ่าอีกอยากจะลังแก่เบียดเบียนอีกอย่างนั้นก็มีเพราะนั้นมันมีอย่างในครั้งนู้นกับครั้งนี้มันเหมือนกันกิเลสตัวนี้กิเลสในความรู้สึกของมนุษย์มนุษยชาติเพราะฉะนั้นเราจะพูดจริงไหนให้คนนับถือเรื่มใสทั้งหมด เชื่อฟังทั้งหมดก็คงเป็นไปไม่ได้แต่ท่านจึงจัดเป็นดอกบัวสามเหล่าบางคนก็ว่าดอกบัว4เหล่าก็สุดแท้แต่ใครจะว่าดอกบัวเหล่าหนึ่งก็คือพึ่งพ้นออกมาจากกอบัวดอกหนึ่งก็มาถึงเครื่องน้ำดอกหนึ่งอีกกำลังจะพ้นน้ำพ้นน้ำ พอได้รับแสงสว่างดอกที่พ้นน้ำก็บานเบ่งบานต่ออยู่ตัวอยู่เครื่องน้ำก็พยายามขึ้นมาพยายามขึ้นมาแต่กําลังเป็นตุ่มขึ้นอยู่ในเง่าบัวนั้นไม่แน่นอนพร้อมที่จะเป็นอาหารของปลาและเต่าบางทีก็ขึ้นได้บางทีก็มันอีกนานเนี่ยหลักของพุทธศาสนาท่านก็พูดไว้อยู่อย่างนั้น แล้วก็ท่านเปรียบเทีเยบบอกว่าคนที่จะทำคุณงามความดีคนที่จะทำความชั่วคนทำความชั่วได้ตามทำตามอำเภอใจทำตามมัธาใจทำตามใจของตนอยากจะทำท่านเปรียบเทียบเหมือนวัวขนวัวกับเขาวัวคนที่ทำตามอำเภอใจอยากจะทำก็ทำตามอเาเภอใจเหมือนกับเหมือนกับขนวัวมันมากขนาดตั้น ผู้ที่จะหาทางที่จะหนหาหนทางที่จะหลุดพ้นจากอาสวักิเลสเนะ่เหมือนกัเขาหัวปูเลยใช่หัวทั้งตัวเนี่ยมีเขากี่เขาสองเขาขนมีกี่เส้นเป็นนันล้านนี่แหละอันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านก็เปรียบเทียบให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายตอนนี้ามาันเรามามองดูหมู่พวกเพื่อนจัตทยาญยาิโยมพี่น้องประชาชนคนในชาติของเรา มีส่วนอย่างนั้นไหมดูดูมันก็มีส่วนเหมือนกันนะแต่ถึงยังไงเราก็ขอให้เราเป็นเขาวัวก็แล้วกันจะเป็นขนวัวเถะแต่ถึงยังไงเราเมื่อได้ศึกษาได้กันกองไตรตรองได้เช็คดูให้ดีแล้วว่าทำคำสอนของพระพุทธเจ้านะมีเหตุมีผลเป็นนิยานิกระทำจริงแล้วก็สามารถปฏิบัติพ้นทุกในวัฏฏะสงสารได้ อันดับแรกเราปฏิบัติดูนั่งภาวนาดูจิตของเราได้รับความสงบเยือกเย็นในเมื่อเราได้รับความสงบเยือกเย็นเป็นครั้งแรกจากนั้นศรัทธาคือความเชื่อวิิยะความเพียรสติปัญญามันหลั่งไหลเข้ามาเองเพราะเหตุไดเพราะเราได้ริมรถพระธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้นี่แหละอันดับแรกก็คือ ก่อนที่เราเอจะนั่งสมาธิถ้าจะว่าไปแล้วก็คือศรัทธาต้องมาก่อนแต่ถึงจะไม่มีศรัทธาก็เถอะก็ฟังเอาไว้เมื่อฟังเอาไว้แล้วไม่มีศรัทธาแล้วแต่ว่าเราทําดูเป็นยังไงทดลองดูในเมื่อรทดลองหรือหรือทําลงไปแล้วผลมันออกมาอจิตใจของเราได้รับความสะกบนั่นแหละทีนี้ศรัทธามา ความเพียรความวิยความพยายามมาปัญญาไต่ตรองเหตุและผลม า, ามันจะพร้อมกันไปแต่ถึงยังไงก็ต้องลงมือซะก่อนเหมือนกับเราทานอาหารถ้าเราไม่ทานเข้าไปเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันนี้เผ็ดเค็มหวานแล้วจะอิ่มท้องได้ยังไง ไม่ได้ดังนั้นเราต้องทานเองนี่ทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นเป็นผู้ชี้หนทางเป็นชี้บอกทางเท่านั้นเองท่านไม่ได้ให้ท่านมาไานม่ได้ทําให้แทนเราแต่ท่านไม่ได้ทานอาหารแทนเราเออคือมีแต่บอกหนทางเนี่ยที่ผมเคยพูดว่าเนี่ยการการทำแทนกันได้มันก็มีแต่สิ่งที่ทําแทนกันไม่ได้มันก็มี แทนกันไม่ได้คืออะไรคือนอนหลับแทนกันออกกําลังกายแทนกันทานอาหารแทนกันเรียนหนังสือแทนกันอย่างเนี้ทดลองเูยสิแทนกันได้ไหมมันแทนกันไม่ได้บางอย่างแต่บางอย่างก็ทําทดแทนดูลูกน้องลูกหลานพ่อแม่ทําหน้าที่แทนก็ได้แต่บางสิ่งบางอย่างมันแทนไม่ได้ใครเรียนก็ใครรู้ใครศึกษาก็ใครรู้ใครปฏิบัติธรรม ความสุขความเย็นใจก็จะเข้าสู่จิตใจของคนคนนั้นนี่แหละอันนี้ก็คือแนวทางหรือแนวความคิดในหลักของพระพุทธศาสนาแนวความคิดที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สอนพวกเราท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะที่จะยินได้ฟังที่ผมได้บรรยายและกล่าวมาทั้งหมดนี้ให้พวกเราท่านทั้งหลายกันกรองไตรตองเหตุและผลเมื่อ เราได้ยินได้ฟังแล้วท่านมีจุดประสงค์อะไรที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาประพฤติธปฏิบัติมานั้นท่านก็นให้เดินเข้าสมามาหาสมาธิ ส, สินสินกับพวกเราก็ได้ศึกษาก็ได้เรียนรู้ในชีวิตประจำวันของพวกเราล้วนแล้วแต่พวกเราอยู่ในสินตั้งแต่บินทบาทการฉันอาหารการคลองคลองผ้า ล้วนละแต่อยู่ในศีลศีลและวินยัย เ, เป็นระบบหนึ่งเป็นระเบียบหนึ่งเป็นยูนิฟอร์มหนึ่งเป็นวิถีชีวิตหนึ่งเพร ก, การบวชในชีวิตอย่างนี้พระพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสากยบุตรพุทธชินนรส ถ, ถ้าใครเป็นลูกของพระพุทธเจ้าต้องทําอย่างนี้จะทําอย่างอื่นไม่ได้ต้องทําอย่างนี้ถ้าเราอยากจะรู้กับศึกษา เพราะเราทําวินัยหรือวินัยเนี่ยไม่ได้ปิดกั้นอยู่แล้วไม่ใช่ว่าของหลวงพ่อบลงพ่อบังคับหมู่ให้ทําไม่ใช่หลวงพ่อก็ต้องทําอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นหลวงพ่อปฏิบัติอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาละองคไหนเข้ามาก็ต้องปฏิบัติอย่างนี้ต้องอยู่ในศิท์ต้องอยู่ในศิ น, อ, อ, ย น, นอยู่ในวินัยอย่างนี้อันนี้ก็คือเรื่องของวินัยเครื่องของสิน สองรยี่สิเจ็ดชินอภิษมาจารย์ชิ้นพระมาในพระปฏิโมกไม่ว่ายุคนั้นสมัยนี้ไปอยู่วัดไหนก็เถอะเนี่ยลให้เราอ่านในพระวินยัยแต่บางวัดทําไมตึงอย่างนั้นวันธรรมวัดวัดทำไมธรรมะองค์นั้นยอนอย่างนี้เอันนั้นเหมือนกับพวกเราประชากรที่มีกฎหมายรัฐธรรม น, นูญบัญญัติกฎหมายขึ้นมาแล้วทําไมคนหนึ่งจึงขายยาบ้าทั้งที่เขาห้าม ทำไมยังไปป้นไปจี้ไปโคดไปโกงไปฆ่าไปทุกไปตีเขาทำไมจึงทำเท่าเราเราทำไมคนทั้งที่มีกฎหมายอยู่ทำไมไปทำอันนั้นถ้าจะว่าไปแล้วก็คือภาละชนภาละชนคือคนผ่านคนไม่มีคนทำผิดกฎหมายถ้าเป็นพระล่ะ ถ้าเป็นพระกันพระพุทธเจ้าว่าอารัชิตาผู้ไม่มีอย่างอายผู้ไม่มีฮิลิโอตปะท่านก็ว่ายังงั้นเถอพระที่ไม่มีไม่มีสินไม่อยู่ไม่อยู่ในบินัยแลกว่าพระอารัชิตาพระอารัชีพระไม่อยู่ในกฎระเบียบไม่ใช่สากยบุตรถ้าเป็นสากยบุตรก็สากยบุตรแบบลูกเหนือขอไม่ใช่ลูกที่แท้จริงไม่ใช่ลูกอยู่ในโอวาท นี่เราให้มองพวกเราเองว่าเราจะเป็นลูกประเภทไหนของพระพุทธเจ้าเนี่อันนี้ก็ขอให้พวกเราคิดอันนี้คือเรื่องศีลนแต่เรื่องสมาธิอย่างพวกเราท่านทั้งหลายมาก็คงจะได้ยินได้ฟังว่าสมาธิที่หลวงพ่อแนะนําในเอ็มพีสามมีมากลากหลายย้ําแล้วย้ําอีกกระรุปแล้วก็คือเรื่องสมาธิทําจิตใจให้สงบ จะทำยังไงจิตใจจึงจะสงบก็มีการบริกรรมบริกรรมจะยึดกรรมฐานไหนพระพุทธเจ้าวางกรรมฐานไว้สี่สบให้พวกเราท่านทั้งหลายบริกรรมหรือเราจะบริกรรมนอกจากกรรมฐาน40สบก็ได้แต่ให้มีสติสัมปะชัญญะคือสติคือความระลึกได้สัมปะชัญญะคือความรู้ตัวหรือเราจะหายหายใจเข้า พ่อหายใจออกแม่คุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแ ม, ณอณแม่อย่างนี้ก็ได้ไม่ผิดกติกาเพราะเหตุอะไรพ่อเราลึกถึงพระคุณมาอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเพราะร่างกายของเราเนยมาจากพ่อจากแม่เวลาเราจะเดินก็ก็เหมือนกันขาขาขว า, ขาพ่อขางซ้ายแม่คอสสำคัญให้มีสติอย่าเผลอเอในการกําหนดนั้นก็ได้ก็ไม่ไม่อยู่ใน ในหลักก็ทำแต่ว่าเรานำมาประยุก์ใช้ให้มีสติก็ไม่ไม่ผิดกติกาเพราะทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามีมากที่จะทำจิตใจให้สงบถ้าเราศึกษาที่พระอริยสงสาวกที่ท่านได้บรรลุธรรมมีมากที่ท่านนอกเหนือจากที่พระพุทธเจ้าบัญญัติกรมมฐานสี่สิ เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านสรุปพระคือคือจะนั่งอยู่นักอยู่นัสถานที่ใดเดินไปนัสถานที่ใดยืนอยู่นัสถานที่ใดนอนอยู่นัสถานที่ใดให้มีสติสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวอยู่ตลอดนี่แหละคือการภาวนาแต่ถ้าว่าพวกเราถึงจะ น, นั่งภาวนาจุก ป, ปุกแต่นอนหลับโกนสุดสุดอยู่ สติมันลุกไปที่ไหนก็ไม่รู้อันนั้นแปลว่านั่งหลับไม่ใช่นั่งภาวนาถึงจะมีอาการอกกับกิริยานั่งภาวนาก็จริงอยู่แต่นั่งรอยนั่งรำเมอหลังนั่งหลับนั่งฝันไปเรื่อยไม่ใช่นั่งภาวนาถ้านั่งภาวนาต้องมีสติสัมปะชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปะชัญญะคือความรู้ตัวนี่แหละขอให้พวกเราทุกท่านเข้าใจจุดนี้เอาไว้ เราจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนที่ใดก็ตามให้มีสติสัมปชัญญะเแต่นี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปูมั่นของเราท่านบอกว่าให้ภาวนาให้มีสติสัมปชัญญะให้กาหนดลมหายใจเข้าพดหายใจออกโถอันนี้คือมาตรฐานเป็นบรรทัดฐานสำหรับกรรมฐานที่จะยึดทำให้จิตใจสงบจิตใจนิ่งอันนี้คือองหลวงปูม่นสอน แล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาของท่านพวกองค์ท่านก็ยอมรับนำมาสอนพวกเรามาถึงพวกผมผมก็ต้องยอมรับเพราะผมได้ปฏิบัติมาแล้ววะอันนี้คือแนวทางที่ถูกต้องที่ท่านบอกกล่าวเอาไว้หายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโทให้มีสติสัมปชัญญะในการบริกรรมพุทโทพุทโ ท, โทอย่าเผลอถ้ามันเผลอไปให้ตั้ง ตั้งจิตให้เข้มแข็งขึ้นอีกให้แน่วแน่ขึ้นมาอีกดูพุทโธพุทโธเอออย่าให้อย่าไม่จะให้มันไปคิดไปในอดีตจะให้คิดไปในอ น, อนาคตเออถ้าว่าเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอยู่กับกรรมฐานถึงจะเผลอไปเพราะเราก็ดึงลากกลับมาอีกให้อยู่อีกดึงปั๊บไปพรในสุดถ้ามีเรามีความใส่ใจสนใจ ตั้งใจมันจะเผลอไม่ได้นานเพราะมันจะขยกขุกขยิกมันก็รู้แล้วว่ามันจะมันจะออกอใจของเรามันจะมันจะเคลื่อนย้ายแล้วอเอราก็พุทโทรเข้าไปอีกอนี่แหละขอให้พวกเราตั้งใจและสนใจถ้าเรา ม, มีความใส่ใจและสนใจอย่างนั้นไม่เหลือวิสัยใจของเราจะเข้าสู่ความสงบเมื่อจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบนิ่ง เราจะได้รู้ได้รับรสของพระธรรมคือความสงบนี่ที่พระพุทธเจ้าที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ตรัสที่ท่านบอกไว้ว่านัตติสันติพลังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเราจะได้ริ้มรสแห่งความสงบเป็นพื้นฐานเบื้องแรกพอเราได้รับความสงบเป็นพื้นฐานเบื้องแรกแล้วแต่นนี้ความหมั่นขยันมันมาเองทีนี่มันมาเอง มันจะขยันขึ้นมาเถอ้นออปัญญาของเราก็จะขึ้นมาความเพียรของเราจะขึ้นมาออมันขยันเองเหมือนกับคนหาทรัพย์ได้เป็นอนัตราแรกแต่ก่อนที่เราหาทรัพย์ยังไม่ได้ไม่รู้หาอย่างไรโตโตเต็มเต็มงกงกันเงานยังไม่ถูกช่องถูกทางแต่พอจับเงินได้แล้วหาอย่างนี้ทำมาค้าขายอย่างนี้ทำมา หากินอย่างนี้เป็นไปได้ถ้าพอเราจับเงินได้นะความขยันมันมาเอง เ, เราก็ต้องรอบครอบในวิชาอาชีพของตนเองว่าจะก้าวเดินอย่างไรต่อไปนี้ก็ลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันใหม่ๆพวกเราก็ต้องต้องฝืนออต้องจดทาคือความเชื่อไว้ก่อนต้องฝืนใจไว้ก่อนถ้าพวกเราทาได้อย่างที่หลวงพ่อได้บอกกล่าวนี้หลวงพ่อมั่นใจว่า อีกสักวันหนึ่งไม่เวลาไห น, เ ว, ไหนเวลาหนึ่งใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบนิ่งได้เมื่อจิตใจสงบแล้วเราจะรู้ได้ว่าเนี่ยมีความสุขจริงแล้วก็มไม่เสียเที่ยวเสียทีที่ได้บวชมาในครั้งนี้ทำจิตใจให้สงบได้รู้รสของพระธรรมพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของจริงจริง มั่นใจจากนั้นเราก็จะได้นำไปประพฤติปฏิบัติอยู่นสถานที่ใดเวลาไหนเราก็จะนั่งเออเราก็จะยึดแนวแถวเป็นแนวแถวปฏิบัติของตนต่อไปจนชีวิตจะหาใหม่เรานั่งสถานที่ใดอยู่นัาสถานที่ใดเราก็จะนั่งภาวนาพอถึงความสงบเราก็นั่งเพราะอันนี้คือเป็นหนทางเออเป็นหนทางที่ถูกต้องแล้ววิถีชีวิตที่ถูกต้องแล้ว ไม่มีวิถีชีวิตไหนที่จะถูกต้องยิ่งกว่าการภาวนาละมีแต่เราทํามาหาเลี้ยงชีพก็ใช่เออมันก็ถูกไปอีกแบบหนึง่งการเลี้ยงร่างกายเท่านั้นเองถึงจะเลี้ยงขนาดไหนก็เถอะเลี้ยงร่างกายมันไม่เป็นหนุ่มเป็นสาวไปทางหน้าหรอกมีแต่มันจะแก่จะเท่าชราแล้วก็ตายในที่สุดทิ้งร่างกายในที่สุดแต่ในใจของเรานะ่ยมันไม่ทิ้งเลยไงใจของเรามันจะไปที่ไหน พอเรานั่งภาวนาจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบแล้วเราจะเห็นเลยเถียงเห็นใจของเราถียงมันชัดเจนเลยในความรู้สึกกายกับใจกายใจกับกายกายกับใจร่างกายมันแตกตายสลายแต่ป่าช้าใจไม่มีป่าช้ากายมันมีเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เมื่อเราทำจิตใจให้สงบแล้วเราจะเชื่อมั่นในตนเองเราจะเชื่อมั่นในพระธรรมคสอนของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ รู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองจริงเป็นผู้มีเมตเป็นผู้ ม, ผ ม, มีเมตตาต่อสรรพสัตว์โลกจริงเราทำจิตใจให้สงบเพียงแค่นี้เราก็รู้ได้แล้วว่าแห่งความสงบนี่มีความสุขจริงเราก็รู้ได้ว่าตายและเกิดด้ตายและสูญเป็นไปได้จริงกายกับใจมันคนละส่วนกันจริงเมื่อออกจากร่างใจของเราออกจากร่างจริงฮมันจะจริงไปหมดเลยเพราะเหตุใด พรจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบมันแยกส่วนแบ่งส่วนได้ชัดเจนในความรู้สึกนั้นเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะที่ผลงพอได้พูดได้กล่าวมานี้ก็เป็นแนวทางสําหรับให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาจากนั้นพวกเราก็จะได้นํามาประพฤติปฏิบัติปรับปรุงกายวาจาใจของเราให้เชื่อเชื่อไเเถออชื่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เชื่อพ่อแม่ปู่บาอาจารย์ท่าน ตาดีผ่านมาแล้วพวกเราเนี่ยยังมืดบอดอยู่ถึงเราจะตาดีก็จริงอยู่แต่ปัญญาปัญญาของเราเนี่ยยังมองไม่เห็นในจุดนั้นเพราะนั้นท่านบอกแนวทางให้แล้วพวกเราให้เดินตาม เ, เดินตามแล้วพวกเราจะเห็นเองรู้แจ้งเห็นจริงเดินตามแนวแถวของพระธรรมคำสอนของพระพุทธ เ, ทเจ้าพระธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้แนะนำสั่งสอนมา การพูดการแนแนวในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับเวลาขอจุติไว้เพียงเท่านี้